พระอนุบัญญัตินหนึ่งภิกษุได้รับนิมนต์ไว้แล้วมีพัฒหารอยู่แล้วเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาชันพัฒหารหรือหลังเวลาชันพัฒหารต้องอบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุปนันทะสักยบุตรจบ